แล้ว så ก็ได้พบได้ เป็นลักเป็นลักเคลื่อนแผงขึ้นมาต่อเฮาของเฮาเป็น เป็นคนสิงคโปร์ที่นี่ก็มีคนสิงคโปร์คันน่ะ เออผู้ค้าก็ลูกหน้าลูกหลังบ่ลูกชาติผู้ขอขอแสดงให้ฟังตลอดพิษุก็คือมื้อ ปวสิกามีพ่อนั่งนี่น่ะฮะปวสกุปวสกวจิกาปวสกวจิกาถ้าใช่ผู้หญิงผู้ชาย รัตนตรัยนั้นไฉนพระรัตนตรัยคือแก้วอันเป็นสร 3 ประการพระสงฆ์วาจิกาคือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยตรัตนัยตรัตนัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีคุณธรรมนั่น โดยยุค ในพระรัตนไตโพธิ์อยู่ใครใต้เอ่อโพธิ์สวนสาบ้านเราว่าว่าศพคือยมคือยมผู้หญิงนั้นผู้ชายกับผู้หญิงยัง สุเรกขออนุญาตโมเมนต์บาสออกได้นะครับโอเคที่ถ่ายเรียนตนเองเรียนตัวอื่นห้อยใช้ภวจกวาสิกาภวจกวาสิกาคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วก็ช่วยด้วยช่วยตัวเอง ไหว้ศาลาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่สมบูรณ์มั่นคงในบริษัท จิตตัวโผเห็นภัยในวัตตะเออไม่ไม่เกิดไม่เกิดปรบัติไม่เกิดโกรธไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดติดธรรมประบัติเป็นชีวิตที่ไม่เป็นภัยแล้ว ภิกษุหมายถึงผู้เห็นภัยไม่ใช่ผ้าเหลืองหัวโล่น ขณะไม่มีคลื่นน้ำไม่มีคลื่นสองเงาโลหน้าราชจิตสี อ่าศีลระลางค์ที่นะนี่ก็แก่หน่ธรรมะหรือภิกษุเนี่ยมีความหมาย บอกความโกรธคืนไปเช่นมันจะโกรธลูกโกรธหลานแม่จะทะเลาะกับลูกลูกจะทะเลาะ ไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไอ้โลกอย่าโกรธกันไม่เอานะแม่ไม่เอาไม่เอาไม่ เอามาเอาทิ้งๆๆแต่ว่าบอกคืนมีอยู่แต่ว่าไม่รับมาเท่าไหร่ก็ หูใครเนี่ยหูฟังเสียงศีลเสียงธรรมเงยหูฟังเสียงมารว่าอะไรโปเขาว่าอะไรกับนอกโคลูกโคหลานโคเขาว่าอะไรเงยหู อ่าเรียกว่าภิกษุหรือสมณะทั้งภิกษุอุบสมณะอ่าอันนี้ก็ประกอบนะที่ อาล่องโดจัดสิ่งจัดของเตรียมพื้นที่ในน้ํา <c oughs> <c oughs> อ๋อยินดีบ่แม่เพี้ยนเอ๊ะมีตั้ดรับพี่สะโมยเหล่าไหว้จ้าแม่ค่าเด้อบ่โอ้ยซื่นซ่อมได้เนาะจ้าแล้วก็ซื่นซ่อมโอ้ยดี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 очку Qual relas, dr Explor子 station, och är man i ansos av Britton i Studie från inom och st Trustee จงเป็นมีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสมุจจังโอภาสวตานโนจิตตารมณ์ธรรมวจังสิอายุโนสุขังสพังขอสิประการเทออายุวรรณสุขสัทธาโยมเจริญเจบุพพสูมีบุพพทีไวกะ Sattva-sattva-num-punjung-mitetan Prakantjusattva-dewata Kala-dewadatankunjung-baksatan Sattva-kutta-num-pavena Loya-num-pavhem-prat-kutta-jau dhamma num pavena Satta suddhiho antute, kovant suddhi thamai, jungmi thamduke. Ati sanghayo ne do vindavatam bodhisattvani. Neva tva yanamatha yanamantanaya niruposaya. Yavati hoy masaya sati tiaya Ithi Puranam vadyan, javetanam vadyantami, namam javetanam nupade sami, yatala jameva satya, jatajvasve haro jati.